วันนี้เป็นวันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบยรยษัทผู้ฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษา มาเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจให้มีความสุขให้มีความเจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นความสุขความเจริญที่สูงสุดคือความสุขของพระนิพพาน ที่เป็นบรมสุขนิพพานังพลังสุขขังไม่มีคำสั่งคำสอนของใครในโลกนี้ที่จะสามารถนำพาจิตใจของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้ให้ไปถึงพระนิพพานได้ มีแต่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถสั่งสอนให้สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ไปสู่พระนิพพานที่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด เพราะความรู้ที่จะพาให้สัตว์โลกไปถึงพระนิพพานนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ด้วยตนเองยกเว้นบุคคลที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ที่จะสามารถ ค้นพบพระนิพพานได้ด้วยตนเองนอกจอากนั้นแล้วจะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถค้นพบพระนิพพานได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบพระนิพพานก่อนเมื่อ <Beatles. S 1> <Mean. S 2> ได้ส่งค้นพบพระนิพพานแล้ว<ๆ>ก็จะมาสั่งสอนมาบอกให้พวกที่ยังไม่รู้ ว่าพระนิพพานนี้อยู่ที่ไหนให้ได้เรียนรู้กันและให้ได้ <c oughs> เข้าถึงพระนิพพานด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งํำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้พระนิพพานจะไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองเลย จะต้องรอให้มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลก <c oughs> แล้วมาสั่งสอนผู้ที่สนใจที่ต้องการที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติและได้มานุถึงพระนิพพานได้ นี่แหละคือศาสนาของพระพุทธเจ้าคำว่าศาสนาก็คือคําสั่งคําสอนนี่การเอยแผ่คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนาเผยแผ่เพื่อให้สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ในรูปแบบต่างๆเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิด ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บการแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นได้อะไรเป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสัตวเป็นพระพุทธเจ้าได้ตามหลักพระธรรมคำสอน ก็ทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการบําเพ็ญบารมีสิบประการด้วยกันที่เรียกว่าบารมีส<ง>ิบถ้ามีการบําเพ็ญบารมีสิบมาอย่างต่อเ น, นื่องจนครบสมบูรณ์เ <h ung> มื่ อ, อไหร่ เพราะนั้นบุคคลนั้นก็จะสามารถตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ mm hmm. ถ้ายังบำเพ็ญไม่ครบสมบูรณ์ mm hmm. ก็ต้องบำเพ็ญต่อไปเรื่อยๆ mm hmm. ในแต่ละภพแต่ละชาติที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. ก็ยังเป็นที่จะต้องบำเพ็ญบารมีข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ ความสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ได้มเมื่อได้สร้างบารมีไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็จะได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ ท่านก็คอยบำเพ็ญบารมีต่างๆมาอย่างโชคชนจนในที่สุดมาถึงพบชาติสุดท้ายท่านก็มาบำเพ็ญบารมีที่ขาดเหลืออยู่ <c oughs> ก็คือปัญญาบารมี <c oughs> บารมีอย่างอื่นนั้นได้ส่งบำเพ็ญมาอย่างสม่าเสมอจนครบหมดขาดแต่ปัญญาบารมี ตอนที่พระองค์ทรงออกบวชก็ไปทรงบำเพ็ญไปศึกษาแล้วก็บำเพ็ญบา ร, รมีส่วนต่างๆที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วจึงสามารถสร้างบา ร, รมีเก่าที่ได้มีมาได้บวดแล้วขาดแต่ปัญญาบา ร, รมีที่ต้องใช้เวลาค้นคว้าค้นหาหอยู่เป็นเวลานานพอสมควร จนในที่สุดก็เข้าถึงปัญญาที่จะทําให้ผู้ที่มีปัญญานี้ได้เข้าถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าในก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านี้ได้ส่ง ม, มันเป็นวาลมีสิทมาเป็นเวลาอัานยาวนานทุกภพทุกชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีการบําเพ็ญบารมีต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆบารมีสิบนี้มีอะไรบ้างก็หนึ่งเมตตาบารมีสองทานบารมีสามศีลบารมีสี่เนคขมะบารมีห้าอุเบกขาบารมีหก ปัญญาบารมีเจดอธิษฐานบารมีแปดสัจจะบารมีเกวิริยะบารมีสิบขันติบารมีนี่คือบารมีสิบประการที่จะทำให้ผู้ใดที่สามารถบง บำเพ็ญได้ครบทั้งสิบบา ร, รมีนี้อย่างสมบูรณ์ก็จะสามารถตัดสร้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้นี่คือเหตุสาเหตุที่ทำให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏอยู่ในโลกนี้อยู่เรื่อยๆเพราะก็มีผู้ที่มีความปรารถนา ม, มีความปรารถนาที่อยากจะ พ้นจากความทุกข์ต่างๆมีความปรารถนาที่จะพบกับความสุขมล้วนความสุขที่ไม่ต้องมีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบุคคลเหล่านี้ก็จะบําเพ็ญไปเรื่อยๆบํบาเพ็ญบารมีเหล่านี้ไปเรื่อยๆเมื่อเขามาเกิดในแต่ละครั้งเขาก็จะบําเพ็ญเมตตาบรารมี ทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มบารมีแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะเพื่อหรอืที่จะผลักดันให้ไปบำเพ็ญบารมีต่างๆเหล่านี้แล้วเมื่อได้บำเพ็ญมาอย่างต่อเ น, นื่องจนสมบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้ง แต่การเกิดของพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันสองรูปแบบพระพุทธเจ้านี้มีสองแบบคือหนึ่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สาตร์โลกนํำมาความรู้ที่ได้ทําให้พระองค์ ได้หลุดพ้นจากการเป็นให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เข้าถึงพระนิพพานเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นพระอรหันตสศาสาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักเคารพคือเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชเป็นสัมมณะโคโดมเนี่ย อั น, นี้ท่านเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสิรูแล้วท่านก็เอาความรู้นี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้เพื่อให้ผู้ได้เรียนรู้วิธีที่จะทําให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าสู่พระนิพพานแลัวก็มีพระพุทธเจ้าอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าพระปเจกพุทธเจ้า พระปฏิเจกะพุทธเจ้านี้เป็นอย่างไรก็คือตัดสัรู้ถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากกองทุกข์แข่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่ผู้ใดไม่ ส, มสั่งสอนใครอันนี้ท่านเรียกว่าพระปฏิเจกะพุทธเจ้าปฏิเจกะคือทําเฉพาะตนเป็นพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวหลุดพ้นจาก กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพียงคนเดียวไม่ปรารถนาที่จะไปสั่งสอนใครอันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราก็คงจะไม่รู้ว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่เพราะพระประเจียกับพพุทธเจ้าจะไม่บอกใครนั่นเองจะไม่บอกว่าตอนได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตอนได้ลุดทนจากกองทุกข์แล้วตนได้เข้าถึงพระนิพพานแล้ว เราจะมารู้ว่ามีพระพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อมีพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระองค์ที่เราเคารพนักถือกันในวันนี้ทุกวันนี้ก็คือพาอาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าสองรูปแบบด้วยกันที่จะมีมาตัดสรู้ธรรมอยู่เรื่อย เพราะว่าตาบได้ที่สัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในในโลกของสังสารวัฏนี้จะต้องมีความปรารถนาทุกคนอยากจะปรารถนาที่จะพ้นทุกข์กันอยากจะมีความปรารถนาที่อยากจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงกันก็จะมีการเพียรพยายามศึกษาไปเรื่อย บางช่วงบางจังหวะก็อาจจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระอรหันตัตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างในยุคนี้พวกเราที่มาวัดกันนี้ก็มาเพื่ออะไรก็มาเพื่อเรียนรู้มาศึกษาวิธีของการกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้มันหมดสิ้นไปวิธีที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด เราก็จะศึกษาการปฏิบัติกันไปตามกำลังของบรารมีเก่าที่เราได้สะสมมาบางคนก็สามารถศึกษาและปฏิบัติได้มากก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในภพนี้ชาตินี้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุที่ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าว่าถ้าปฏิบัติ สติปัฏฐานตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามแนวของสติปัฏฐานสี่ได้ก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นบรรลุถึงพันนิพพานได้ภายในพบนิชาตินี้เลยถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีในยุคนี้ในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เรามีผู้ที่ได้หลุดพ้นเป็นพระอรหันตสาาวกันเป็นจำนวนมากเลยเพราะบุคคลเหล่า น, นี้อาจจะส่วนหนึ่งอาจจะมีบรารมีเก่าติดตัวมาอยู่แล้วพอมาศึกษามาเรียนรู้วิธีเพิ่มเสริมบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมีก็เลยทำให้สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ หลุดพน้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ายังไม่หลุดพน้นในภพนี้ชาตินี้ก็ต้องไปทําต่อในภพชาติหน้าต่อไปถ้าไม่มีถ้าไม่ได้มาเกิดในภพหน้าชาติหน้าไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาก็จะต้องบำเพ็ญบารมีสิบต่อไปด้วยตนเองตามลำพังไปแล้ววันใดวันหนึ่ง อาจจะต้องอาจจะได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองก็ได้หรืออาจจะได้ไปเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วก็ได้ศึกษาได้เรียนต่อจากพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ต่อไปแล้วอาจจะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ในภพนั้นเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครกําหนดได้แต่ที่แน่ๆก็คือจะต้องจะ จะบำเพ็ญไปเรื่อยๆถ้าตราบใดมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่ต้องการที่จะได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่แท้จริงตราบนั้นก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีการค้นคว้าไขวค ว, าวา้าหาสร้างบารมีต่างๆขึ้นมาและวันใดวันหนึ่งก็อาจจะได้บรรลุมรรคผลนี้ผ่าน แต่ถ้าต้องบำเพ็ญบารมีไปนี้มันก็จะต้องใช้เวลามากไม่เหมือนกับถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเช่นยุคนี้นั้นเมื่อในยุคก่อนๆในชาติก่อนๆเคยได้บำเพ็ญบารมีมาบ้างพอสมควรพอได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะย่นระยะเวลาของการสร้างบารมีให้เหลือเพียงพบเดียวชาติเดียวก็ได้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธ ศ, ศาสนาหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะช่วยผู้ปฏิบัติให้ดูดพ้นได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปบำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆ อ, อีกไม่รู้กี่แสนล้านชาติด้วยกันกว่าจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า แต่ละครั้งขึ้นมานี่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องราวของบรบรลุ ถ, ถึงพระนิพพานการบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานนี้ท่านก็มีอยู่สองนักษณะด้วยกันคือนิพพานมีสองนักษณะ อนุอนุอุอ ป, ปาดิเสสานิพานแล้วก็อุปาดิเศษานิพานอนุปาดิเศษานิพันธ์กับอุ ป, ปาเดชานนิพานมีสองชื่อมีสองแบบคือความหมายก็คือได้บรรลุถึงพระนิพพานในขณะที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังคลองขันอยู่ เช่นพระพุทธเจ้าตองวันที่ได้ทรงตัดสัตวเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกอายุสามสิบห้าปีนั้นท่านได้เข้าถึงนิพพานอันอันดับแรกชื่ออาจจะสับสนกันา จ, จําไม่ได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนอุปาดิเสษานิพพานกับอนุปาดิเสสานิพพานอันหนึ่งก็คือ จิตได้ถึงพระนิพพานแล้วตั้งแต่ร่างกายยังมียังคองชีพอยู่ยังไม่ตาย<ม>แล้วอีกสี่สหปีต่อมาตอนที่พระองค์ทรงสเสด็จดับขันธ์พระนิพพานตอนนั้น<ม>จิตที่ถึงนิพพานนั้นได้แยกออกจากร่างกายที่ต้องตายไป<ม><ม>เราก็เรียกว่าอนุ ป, ปาติเสสนิพพานหรืออุ ป, ปาติเสสนิพพานอันนี้จาไม่ได้อันไหนเป็นอันไหน สองอันนี้ก็คือให้รู้ว่ามันก็เป็นนิพพานอันเดียวกันจิตใจถึงพระนิพพานตั้งแต่อายุสาสิบห้าปี<ม>แต่ยังมีร่างกายอยู่ยังอยู่ต่อไปอีกสี่สิบห้าปีด้วยกัน<ม>ก็ใช้เวลาที่มีร่างกายที่อยู่ได้สี่ส<ม>ิบห้าปีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกนั่นเอง ภารกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสรตวแล้วนี้ไม่ได้ทำอะไรนอกจากการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะและการเลี้ยงดูปากท้องของพระองค์เทนั้นเองอพระพุทธเจ้ามีพุทธกิจห้าห้าข้ อ, อมีภารกิจที่ทรงบำเพ็ญทุกวันมีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือตอนบาย แสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมคารวะผู้ครองเรือนตอนค่ำก็แสดงธรรมโปรดพระภิกษุภิกษุณีสัมมาเนสัมมาเนริในตอนดึกก็ทรงแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาทั้งหลายแล้วตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกบินทบาทก็ทรงเริงญานดูว่าจะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น แล้วก็จะไปโปรดบุคคล น, นั้นหลังจากที่ได้เห็นว่าเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับธรรมมันประเสริฐของพระองค์ได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วและอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องมุ่งไปให้ช่วยเหลือบุคคล น, นั้นก่อนเพราะบุคคล น, นั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องถึงแก่เสียถึงแก่ชีวิตในเวลาอันสั้นก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้นในวันนั้นแล้ว กิจข้อที่ห้าก็ส่งสเสด็จออกบินธบาตสด็จออกบินทบาต เ, เพื่อเพื่ อ, อเลี้ยงชีพเลี้ยงนั่งกายของพระ อ, องค์เองอนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสงให้ความสำคัญหลังจากที่ได้ทรงตัดสรตวพระองค์ไม่ค่อยได้บงไม่ได้ค่อยกังวลเกี่ยวกับรเรื่องสร้างถาวรและวัตถุต่างๆ สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆพระองค์นี้เป็นภาพ ป, ป่ามาตั้งแต่ดั้งเดิมชอบทุดงจาริกไปตามป่าตามเขาไปหาสถานที่สงบสงัดบาเพญ็ญหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นประจำทรงย้ายที่ไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เอาธรรมะที่พระองค์ได้ทรงเผยแผ่สั่งสอน ไปสั่งสอนให้กับผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่จะได้หลุดออกจากกองทุกข์ได้เพื่อที่จะได้เข้าถึงพระ น, นิพพาน<ม>องค์มไม่เห็นความสําคัญของการสร้างฐานวลลัตถุยิ่งไปกว่าการสร้างพระอริยะบุคคลขึ้นมาผู้สร้างพระอาหันตสาวกนั่นเองพระองคจึงไม่มีวัดที่พระองค์สร้างขึ้นมาเอง ไม่มีวัดที่อยู่เป็นประจําทรงย้ายไปเรื่อยๆพอทรงเห็นความสําคัญว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการทําให้ผู้อื่นที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนร่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ได้เข้าถึงพระนิพพานได้ได้เข้าถึงความสุขอันล้ําเลิศอันประเสริฐยิ่งได้ต้องอาศัยคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในยุค ก, ก่อนนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสาร เหมือนที่เรามีกันอยู่ในสมัยนี้สมัยนี้เราไม่ต้องไปไหนก็ได้การแสดงธรรมนี้สามารถแสดงอยู่กับที่แล้วก็ใช้สื่อนี้เผยแพร่ไปได้ทั่วโลกเลยเช่นขณะนี้ก็จะมีผู้ที่ติดตามฟังเทศตัง้งธรรมนี้อยู่ได้อยู่อยู่หลายประเทศด้วยกันไม่ใช่อยู่แต่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเองมีศรัทธาญาณโยมที่ ไปอยู่ตามตาม่างประเทศตา่ตางๆก็จะได้ติดตามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆสมัยนี้จริงๆไม่มีคำจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้าจะใช้สื่อแทนก็ได้แต่ถ้าจะไปก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความพอใจแต่สมัยพระพุทธเจ้านี้จำเป็นจะต้องเดินทางไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ เพราะไม่มีเครื่องมือสื่อสารเหมือนที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้เขาเลยต้องขวนขวายในการเดินทางไปตามเมืองต่างๆตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะได้โปรดผู้ที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและพวกที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษา พอเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ามักจะขอบวชกันขอบวชติดตามพระพุทธเจ้ากันอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าของพวกเราเรื่องราวของเหตุที่ทําให้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเหตุหลักก็คือความทุกข์นี่ความทุกข์ที่ จัดโลกทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้จะเป็นที่จะต้องเจอกันทุกกับสารพัดทุกข์ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มทุกข์แล้วไม่มีเด็กคนใดที่คลอดออกมาแล้วจะหัวเราะยืนมแย้มแจ่นใสเด็กจะร้องกันเพราะต้องหายใจขาดลมหายใจก็เลยต้องถูกกระตุ้นให้หายใจต้องหายใจเอง ถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อ น, นั้นการทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องคอยเลี้ยงชีพของตนเองนอกจากหายใจแล้วก็ต้องหาอาหารหาน้ำหาอะไรมาให้น่างกายรับประทานให้ดื่มแล้วยังต้องคอยขับถ่ายแล้วต้องคอยรักษาร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งมีโรคภัยมากมายหลายชนิดด้วยกัน<ม>ร่างกายของเด็กบางคนก็อาจจะอยู่ไปไม่ได้กี่เดือนกี่ปีก็มีกลายมาแล้วก็จะโรคภัยที่รักษาไม่ได้<ม>ในที่สุดก็ต้องเสียชีวิตไปด่า<ม>นี้เป็นเรื่องของความทุกข์ที่จะทำให้เป็นเหตุที่จะทำให้ผู้ที่มาเจอความทุกข์เหล่านี้ อยากจะพ้นจากความทุกเหล่านี้<อ>ก็อาจจะทำให้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษาวิธีต่างๆที่อาจจะมีสอนกันอยู่ในโลกนี้<อ> ใ, หให้ได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติกันวิชาที่จะสอนให้ผู้ที่ได้หลุดพ้น จากกองทุกข์แห่งการเวีนว่ายตายเกิดนี้ได้ก็คือวิชาที่เกี่ยวกับบารามีสิทถ้าคำสอนของศาสนาใดาของผู้ใดสอนคำ ส, สอนให้สร้างบารามีอาจจะไม่ครบทั้งสิบบารามีก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปแต่ละบารามีในแต่ละครั้งที่มาเกิดได้เช่นเมตตาบารามีนี่ พระพุทธศาสนาก็สอนให้พวกเรามีเมตตาต่อกันคืออยู่ด้วยกันในโลกนี้เราไม่ควรที่จะเป็นศัตรูกันเราควรจะเป็นมิตรกันการสร้างเมตตาบารมีนี้ในในบทแผ่เมตตาท่านก็แสดงไว้ว่าอเวลาหุนตุสเสัตาอเวลาหุนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอยามีเวรกันเถิด หมายถึงว่าเราอย่าไปมีเวรกับใครถ้าเกิดใครเขาทำให้เราเสียหายเดือดร้อนทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเขาไปอย่าจองเวรจองกรรมกันเพราะการจองเวรจองกรรมนี้ไม่ได้ระ ง, งับเวรกรรมแต่อย่างใดแต่กลับสร้างเวรกรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ทรงตัดไว้ว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร เวนนี้ลังงับด้วยการไม่จองเวนถ้ามาเกิดแล้วมาเจอศาสนาใดก็ตามที่สอนให้มีความเมตตาก็จะถือว่าถ้าได้เรีย้ยงได้ศึกษาได้กระทําก็ถือว่าได้สร้างบารมีขึ้นมาข้อหนึ่งแล้วเกิเมตตาบารมีบารมีทั้งสิบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่พระพุทธศาสนาที่สอนเท่า น, นั้นก็มีศาสนามีคําสอนของ ของศาสนาต่างๆก็สอนบารมีต่างๆกันไปมากบ้างน้อยบ้างไปก็จะได้มีเวลาได้มาเกิดก็อาจจะได้เรียนรู้วิธีที่จะอสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้แลถ้ามาเกิดเรื่อยๆเจอคําสอนเรื่อยๆก็อาจจะได้เรียนรู้ถึงบา ร, รมีทั้งสิบได้แต่ก็ต้องใช้เวลา เป็นเวลาที่ยาวนานจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่ล้านครั้งถึงจะสามารถที่จะสร้างบา ร, รมีทั้งสิบได้นี้ได้ครบเช่นเจ้าชายสิทธัตถะนี้ก็กว่าจะได้มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี้ก็ใช้เวลาบำเพ็ญมาเป็นเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็ไม่มีทางเลือกถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ถ้าเจอพระพุทธศาสนาแล้วมีบา ร, รมีหรือมีกำลังพอที่จะปฏิบัติตามได้ก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในภพภพนี้ชาตินี้เลยซึ่งก็มีหลายบุคคลด้วยการที่มีบา ร, รมีถึงมีกำลังพอที่จะปฏิบัติตามได้บรรลุเป็นพระอารารยตสาวกอยู่มีมาอยู่เรื่อยๆทุกยุคทุกสมัย จนถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็มีพระที่ที่ได้บําเพ็ญได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไดารู้เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้เรารู้ได้อย่างไรว่าท่านเป็นพระอาหารหันตสาวกส่วนหนึ่งก็ดูที่การประพฤติของท่านท่านประพฤติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชาอบหอไม่สองคำสั่งคําสอนของท่านสอนให้ ผู้ปฏิบัติผู้ศึกษานี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกได้หรือไม่สามกัตถิของท่านกลายเป็นพระธาตุอันนี้ถ้าเป็นพระอาหารหันต์นี้ถ้าตายไปแล้วนี้อัตถิคือกระดูกบางส่วนนี้อาจจะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยเวลาของการได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต ถึงช่วงเวลาที่ตายว่ามียาวลุือสัน้นถ้ามีเวลาน้อยเช่นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์วันนี้แล้วพรุ่งนี้ตายไปนี้โอกาสที่กระดูกจะกลายเป็นพระธาตุนี้จะไม่มีนะเพราะจะไม่มีเวลาให้จิตที่บริสุทธิ์จิตของพระอาหารหันต์นี้ซักพ่อกระดูกให้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานะ ท, ที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังกระดูกที่กลายเป็นพระธาตุได้ก็เพราะว่าใจของผู้คองร่างกายนั้นเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจของพระอาหารหันตสาวกและถ้าดังถ้าคองธาตุไปได้นานๆหลายปีโอกาสที่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์จะซักพ่อกระดูกนั้นก็จะมีมากโอกาสที่จะกระดูกนั้นจะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมานั้น ก็จะเป็นไปได้ง่ายเป็นไปได้มากเนั<ม>้นอันนี้ก็เป็นของที่ไมแน่นอนพระอรหันต์บางรูปท่านตายไปแล้วก็ดูกของท่านก็อาจจะไม่ได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาก็ได้<ม>แต่เราก็อาจจะดูได้จากการปฏิบัติของท่านว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ถ้าคําสั่งคําสอนที่ท่านสอนนี้ผู้นํามาไปปฏิบัติสามารถ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ถ้าสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ของท่านได้ก็แสดงว่าท่านก็ได้หลุดพ้นแล้วท่านถึงจะสามารถเอาคาสอนเหล่านี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้นี่ก็คือผลที่จะเกิดจากการที่ได้บาเพ็ญบุญบรารมีต่างๆตามตาม ที่ได้เรียนรู้มาในแต่ละภพแต่ละชาติแล้วถ้าได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็จะทําให้การบําเพ็ญนี้มันย่นระยะเวลาให้สั้นลงเหลือเพียงภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเองหรืออาจจะได้ภายในเจ็ดวันก็มีภายในเจ็ดเดือนก็มีภายในเจ็ดปีก็มีอันนี้ก็ก็อยู่กับการบําเพ็ญของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับำลังบารมีเก่าที่มีอยู่ว่ามีมากมีน้อยถ้าสามารถปฏิบัติได้มากก็แสดงว่ามีบารมีมากอ น, นี่ก็คือบารมีสิบข้อข้อแรกก็คือเมตตาบารมีเมตตานี้หมายถึงให้มีความมองทุกคนว่าเป็นมิตรกันไม่ทําร้ายกันไม่ทําลายกั น, ไ ม, กนไม่เบียดเบียนกันให้ความสุขแก่กัน ให้ความช่วยเหลือต่อกันถ้ามีความทุกข์ยากเลือดร้อนขึ้นมานี่คือความหมายของการมีการให้ความเมตตาหรือการแผ่เมตตา<ม>การแผ่เมตตานี้ไม่ได้หมายถึงการสวดบทแผ่เมตตา<ม>การสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่<ม>เป็นการระเลิกรู้เรียนรู้วิธีแผ่เมตตาที่เราสวดกันสเปสตาเวลาโฮตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายท้องตวงจงอย่ามีเวรกันเถิดอปยาป ช, ชาโหตุจงอย่าได้เบียดเบียนกันเถิดอานิฆาโหตุจงไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสุขีอาตานังปาริหารันตุจงมีสุขรักษาตนเถิดการสวดบทนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เพราะการแผ่นี้ต้องเกิดจากการกระทาการกระทานี่แหละคือการแผ่ คือเวลาที่เราได้พบปะกันถ้าไม่มีอะไรเราก็อย่างน้อยก็ให้ความสุขต่อกันด้วยการทักทายกันสวัสดียิ้มแย้มหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคอเวลาเราเห็นคนที่เขาทักเรายิ้มแย้มเราก็มีความสุขอันนี้ต้องแผ่ด้วยการกระทาหรือเวลาที่มีเหตุที่ทำให้เกิดการเสียหายหเดือดร้อนขึ้นมา เราก็ไม่ไม่โกรธกันให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันหรือว่าเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามเราก็ต้องระวังว่าการกระทําของเรานี้ไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่ควรกระทําเช่นถ้าเราต้องทำมะเราทํามาหากินแล้วต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เราก็จะไม่ทำํำ เพราะว่ามันไม่เป็นความเมตตามันเป็นการเบียดเบียนกัน<ม>ผู้มีความเมตตาจะไม่ทำอะไรที่ทาให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน<ม>อันนี้คือการมีการสร้างบา ร, รมีขึ้นมาข้อแรกก็คือเมตตาบา ร, รมีมอันนี้เป็นพื้นฐานของบา ร, รมีทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีเมตตาบา ร, รมีแล้วจะไปสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นขึ้นมา น, นี้ก็จะยาก ยากกว่าการที่มีเมตตาบารมีเช่นจะไปทั้งสร้างบารมีข้อที่สองคือทานบารมีถ้าเราไ ม, ม่แต่ความเกลียดชังคนนั้นเกลียดชังคนนี้ไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้การที่เราจะไปทำทานไปไปให้ทานเขานี่ก็คงจะเป็นไปได้ยากเราก็จะไม่อยากให้ให้ทานกับคนที่เราไม่ชอบนั่นแต่ถ้าเราไม่มีความเกลียดชังใคร เราก็สามารถทำทานได้อย่างง่ายได้เห็ในใครก็ทุกข์ยากเดือดร้อนขึ้นมาเราก็สามารถทำทานให้ความช่วยเหลือให้ทรัพย์สมบัติให้เงินทองให้ข้าวของอะไรต่างๆเพื่อให้เขามีความสุขหรือช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาขึ้นมาดังนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามฝึกเจริญเมตตากันอยู่เรื่อย เ, เวลาพบปะกันคอยระมัดระวัง การกระทําของเราว่าไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่เวลาเราจะพูดอะไรก็คิดให้ดีก่อนเวลาจะทําอะไรก็คิดให้ดีก่อนถามตัวเราเองก่อนว่าทําไปแล้วจะทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่มถ้าเสียหายเดือดร้อนก็อย่าทำํำอย่าพูดหรื อ, อว่าถ้าเขาเกิดทาอะไรให้เราโกรธขึ้นมาเราก็ต้องให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกัน แล้วเราก็จะได้รับอนิสงค์ของการบําเพ็ญเมตตาบา ร, รมีหลายข้อด้วยกัน<ม>ข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นหรือในขณะที่หลับห<ม>ลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข<ม>นอนหลับก็ไม่ฝันร้าย<ม>แล้วจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย<ม>จะไม่มีใครเกลียดชังคนที่มีความเมตตา ทั้งคน ท, งทั้งมนุษย์และเทวดาจะชอบคนเมตตาแล้วก็จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเทวดานี้เขาชอบคุ้มครองรักษาคนดีคนที่มีความเมตตาเขาะจะไม่คุ้มครองคนชั่วเพราะเขาไม่ต้องการจะสนับสนุนให้คนทําชื่วนั่นเองเขาสนับสนุนให้คนทําดีเห็นใครที่ทําดีคนใครที่มีความเมตตานี้มักจะมีเทวดารักษาคุ้มครอง แล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะว่าไม่มีใครจะคิดร้ายต่อคนที่มีความเมตตาคนที่มีความเมตตานี้มีแต่มิตรไม่มีศัตรูนั่นเองยังไม่มีใครที่จะมาคิดทําร้ายชีวิตด้วยการให้ยาพิษก็ดีหรือด้วยการใช้อาวุธทําร้ายชีวิตก็ดีก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ ถ้าไปฝึกสติถ้าเปฝึกนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายแล้วถ้าเวลาตายไปเวลาจะตายจิตก็จะไม่จิตก็จะไม่หลงจิตจะมีสติสงบเย็นสบายแล้วถ้าตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติชั้นใดชั้นหนึ่งตามเหตุตามปัจจัย ที่ได้บาเพ็ญเอาไว้อันนี้ก็คือเรื่องของการบาเพ็ญเมตตาบารมีอ น, น, นอกจากเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ได้ไปตัดสุปเป็นพระตัจจ้าแล้วก็ยังมีอา น, นิสงส์ต่างๆเหล่านี้อยู่นนทำให้นนจิตใจมีความสุขนนตายไปก็ไปสู่สุคติ อยู่ก็ไม่มีทุกข์ไม่มีใครมาคอยทาร้ายไม่ต้องมาหวาดกลัวเราจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างบา ร, รมีข้ออื่นๆต่อไปได้เช่นข้อที่สองก็คือทานบา ร, รมีคือการให้ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ แทนที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นภาระจะ ต, ต้องมาคอยคอยดูแลรักษาเก็บเท่าที่จำเป็นก็พอเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าที่อาจจ ะ, ะตกทุกข์ยากลำบากก็จะได้อาศัยทรัพย์ส่วนเกินนี้มาช่วยดูแลแต่มีไว่มากๆมันก็จะทำให้ต้องมาวิตกกังวลและก็ ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สวนนี้เลย<ม>ก็ให้เอามาสร้างเป็นบารมีดีกว่าสร้างด้วยการทำทาน<ม>ทานบารมีมจะให้ใครก็ได้<ม>อันนี้การสร้างบารมีนี้ไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่าต้องต้องให้กับคนนั้น<ม>ให้กับคนนี้ <c oughs> ให้กับทุกคน<ม>แต่เบื้องต้นก็ควรจะให้กับบุคคลที่มีพระคุณกับเราก่อน ให้เพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีเพราะคนดีนี้มักจะสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นเสมอมีความกตัญญูแล้วก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณ mm. เช่นบิดามารดาปุย่าตายายครูบาอาจารย์เป็นต้น mm. เราต้องทำทานกับบุคคลเหล่านี้ก่อน mm. ก่อนที่เราจะไปทำทานกับบุคคลที่เราไม่รู้จัก mm hmm. เช่นสมัยนี้มีบางคนอาจจะนิยมไปทําบุญกับพระพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเลมทําบุญกับพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านก็มี mm hmm. เวลาไปทําบุญกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็มักจะบอกให้กลับไปทําบุญที่บ้านก่อน mm hmm. ยิ่งดูพ่อแม่ให้ดีก่อนยิ่งดูผัวญาตายายให้ดีก่อนแล้วค่อยมาทําบุญกับพระนอกบ้าน บางทีเราอยากจะได้บุญเยอะๆคิดว่าทําบุญกับพ่อแม่แล้วไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ก็เราอยากจะไปทําบุญกับพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดว่าทํากับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะทําให้ได้บุญมากความจริงบุญมากน้อยไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เราไปทําด้วยอยู่ที่ว่าเราให้มากหรือให้น้อย ให้มากก็จะได้บุญมากให้น้อยก็จะได้บุญน้อยอันนี้เป็นบุญที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีนะส่วนบุญที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่น <promise. S 1> บุญที่เราจะได้รับจากบุคคลอื่นก็คือธรรมะคำสั่งคำสอนนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าเราต้องการได้รับธรรมะคำสั่งคำสอนจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วย เราก็ต้องไปหาคนที่มีธรรมะมากๆเราก็ไปทําบุญกับคนที่มีธรรมะมากๆเช่นทําบุญกับพระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธเจ้าถ้ารู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วเราอยากจะได้เรียนรู้ธรรมะจะได้เพื่อที่เราจะได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ง่ายได้เร็วเราก็ต้องไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าถ้ามีถ้าลองจากพระพุทธเจ้าก็พระปเจกะพุทธเจ้า ลองจากพระประเจกการก็คือพออาระ้าหลานตสาวก<ม>ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงพผ้ออาริยาบุกผ้าโสดาบันบุคคลเหล่านี้มีธรรมะความรู้ความฉลาด<ม>เรื่อมล้ํากันไปตามกําลังความสามารถของการบรรลุธรรมขั้นต่างๆถ้าเราต้องการธรรมะคาสอนเหล่านี้เราก็ต้องไปหาไปทําบุญกับคนที่มีมีธรรมะ แต่ถ้าเราเพียงแต่ต้องการทำบุญเพื่อเป็นการสร้างบารมีสร้างทานบารมีเราทำกับใครนี้มันได้ได้ทานบารมีเหมือนกันทำกับพระอริยบุคคลหรือทำกับสัตว์โดยราชาญ<ม>ก็เหมือนกันทำกับสุนัขจอนจัดทำกับสัตว์ที่ร้ที่เครื่องร้อที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นถ้าถ้าทำเป็นการสร้างทำบุญเพื่อเป็นการสร้างทานบารมีนี้ทำกับใครก็ได้ แต่ถ้าทาเพื่อที่จะได้รับธรรมะเป็นเครื่องตอบแทนก็ต้องไปทํากับคนที่มีธรรมะ uh huh. ถ้าไปทํากับคนที่ไม่มีธรรมะขเขาก็ไม่มีธรรมะที่จะมาพูดมาสอนเรานั่นเอง uh huh. อันนี้ต้องพูดให้เข้าใจว่าทําบุญมีสองแบบทําบุญแบบเลือกคนทําทําบุญกันไม่เลือกคนทํา uh huh. ถ้าทาบุญเพื่ออยากที่จะได้สิ่งตอบแทนจากบุคคลที่เราไปทาด้วย คือคำสั่งคำสอนคือธรรมะเราก็ต้องเลือกคนที่มีธรรมะมากๆเพราะเราจะได้ธรรมะมากๆจากเขานั่นเองธรรมะสูงด้วยมากด้วยแต่ถ้าเราทำบุญเพื่อเพื่อสร้างทานบารมีเพื่อเรามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เราไม่อยากจะเก็บเอาไว้เราอยากจะเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นเขาได้อยู่ส่งอยู่สบายเหมือนกับเราบ้าง เราก็อาจจะนึกถึงบุคคลที่มีพระคุณกับเราก่อนเช่นบิดามารดาปุย่าตายายครูบาอาจารย์เป็นต้นเมื่อเราได้ทําบุญกับบุคคลเหล่านี้แนละ้วเรายังมีเหลือที่จะทํากับบุคคลอื่นได้ก็ทําไปแล้วแต่เราจะเลือกทํากับใครก็ได้หรือถ้าเราชอบทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานเราก็ทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บางคนก็ชอบไปปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นถ่ายชีวิตโค เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการทำบุญเป็นการสร้างทานบารมีที่เราจะใช้จะได้อาศัยทานบารมีนี้พาให้เราได้ตัดสุขเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือบารมีคือทานบารมีถ้าเราทำทานบารมีได้แนละ้วเราก็จะสามารถสร้างบารมีข้อที่สามได้ึได้ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทำทานก็คือศีลบารมี ศีบลบาลานีก็คือการไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายผู้อื่นนั่นเองไม่ทําบาปไม่ทําร้ายผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีโกโหกหลอกลวงดื่มของมึนเมาเดื่มายาเสพาิดเมาถ้าเราเป็นคนที่มีความเมตตามีมีคนที่เป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานแล้วก็จะไม่อยากจะไป ท, ทําทําบาปไม่อยากจะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อน พอรู้ว่าเวลาทำบาปแล้วทําให้ใจทุกข์ทำให้มีปัญหามีเวรมีกรรมกันก็จะพยายามไม่ทําก็จะรักษาศีลสร้างศีลบารมีได้อย่างง่ายดายการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ก็มีประโยชน์มีอนิสงส์นอกจากที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ได้ไปบรรลุเป็นไปบรรลุถึงพระนิพพานได้ในอนาคตแต่ในในระยะใกล้ๆก็มีอนิสงส์ เช่นถ้าสร้างทานบารมีไว้มากเวลาตายไปนี่ใจก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพกันแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวมาด้วยมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะมีไม่ต้องมาเกิดแบบคนยากจนอันนี้คืออา น, นิสงส์ของการทานบารมี แลอ น, นิสงส์ของศีลบารมีคือการไม่ทําบาปมันก็จะทําทให้เราไม่ต้องไปใช้เวนใช้กรรมในอบายถ้าเรารักษาศีลห้าข้อนี้ได้เราก็จะปิดประตูอบายได้เราจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องไปไปนรกนี่คือประโยชน์ของการสร้างบารมีต่างๆมีทั้งประโยชน์ระยะสั้นและประโยชน์ระยะยาว ปยชระยะยาวก็คือเป็นบารมีที่จะทําให้ได้ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตที่ยังอาจจะอยู่ไกลอยู่แต่อนาคตที่อยู่ใกล้คือพบหน้าชาติหน้าเวลาตายไปแล้วนี่ก็จะได้อ น, นิสงส์ทันทีถ้ามีมีศีลก็จะปิดประตูอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เลรละชานแล้วเวลารักษาศีล ได้แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะสร้างเนคขมมะบา ร, รมีเนคขมมะบา ร, รมีคืออะไรก็คือการออกจากกามคาว่าเนคัมมะก็คือการออกจากการหาความสุขจากการมุคุณทั้งห้าการมุคุณทั้งห้าคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆทำไมเราถึงมาทำไมเราจึงต้องมาจเจริญ น, นขมมะบา ร, รมี เพราะว่า <c oughs> การเจริญในคขมะบารมีนี้จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพราะให้เราออกจากกามะภพได้ <c oughs> ถ้าเรายังเสพกามอยู่เราก็จะติดอ ย, ย, ดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดในกามะภพ <c oughs> แต่ถ้าเราสามารถที่จะเลิกเสพกามได้เราก็จะสามารถยกจิตของเราให้ขึ้นออกจากกามะภพได้ <c oughs> การการเจริญในคขมะบารมีก็คือการถือศีลแปนี่ เพิ่มศีลอีกสามข้อจากศีลห้าแล้วเปลี่ยนศีลข้อสามในในศีลห้าเป็นอ布ัมมจริยาศีลห้านี้อนุญาตให้เราร่วมเพศกับคู่ครองของเราได้แต่ถ้าถือศีลแปดแล้วก็ให้ระงับไม่ให้หาความสุขจากการร่วมเพศกันแล้วก็ให้เราไม่ให้หาความสุขจากการกินการดื่มมากจนเกินไปไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ให้ดื่มตามความอยาก ให้กินให้ดื่มแบบเป็นยารักษาร่างกายซึ่งก็ไม่ควรจะกินมากไม่ควรจะเกินเวลาเที่ยงวันไปแล้วกินวันละมือ้อสองมื้อก็พอ อ, อันนี้ก็คือในขมห์สินข้อออกไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ศินข้อเจ็ดก็คือไม่ให้หาความสุขจากการดูการฟังละครบรรเทิงอะไรต่างๆ แล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยการใช้เสื้อผ้าพรวิจิตพิสดารเสริมสวยความงามด้วยเครื่องสําอางน้ํามันน้ําหอมต่างๆแล้วก็ให้นอนไม่ให้มากไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนด้วยการนอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนเตียงนะั้นบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเป็นเตียงสํารานเพราะจะทําให้นอนมากเกินไป เพราะเหตุใดจึงต้องมาถือศีลแปดถือเนคา ม, มะเพราะว่านอกจากการที่เนคข ม, มะจะดึงให้เราออกจากการมมาพบแล้วการที่เราจะขึ้นเข้าไปสู่พบที่สูงกว่าจากการมมาพบเราต้องมีเวลามามำเพงบาลมีข้อต่อไปก็คืออุเบกขาบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีก็คืออะไรคือการฝึกใจให้เป็นการฝึกใจให้นิ่งสงบที่เราเรียกว่าสมาธินี่เอง ใจที่นิ่งสงบนี้ใจจะเป็นกลางคือใจจะปราศจากความรักชังกลัวหลงจะไม่รักอะไรจะไม่ชังอะไรจะไม่กลัวอะไรจะไม่หลงคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้จิตใจนิ่งสงบมีความสุขจากความสงบไม่เดือดร้อนกับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องไปประสบพบเห็น เจอใครเจออะไรก็รู้สึกเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง mm hmm. อันนี้แหละเป็นความสุขของใจในระดับของออเบขาบารมี mm hmm. ถ้าใครได้เจริญในขัมมะบาลมีควบคู่กับโอเบขาบารมีจิตก็จะออกจากการมาพบ mm hmm. แล้วก็จะไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพภ mm hmm. พของพรหมพรหมที่มีรูปกับพรหมที่ไม่มีรูป ผู้ที่ได้รูปฌปานได้ความสงมบ ร, ร, ร, ระดับรูปฌานได้นเนคข ม, มะระดับรูปฌานก็จะไปเกิดเป็นรูปปฐ ม, <_ sailing> มผู้ที่ได้อุเบกขาในระดับอรูปฌานก็จะได้ไปเกิดเป็นอรูปปฐมที่เป็นภพที่มีความสุขมากกว่าเป็นภพที่สูงสุดความสุขที่สูงสุดในตายภพก็คืออรูปภพเกิด<ม>จากการได้บำเพ็ญเนคข ม, มะบารามีกับ อุเบกขาบาลมีคือการฝึกสตินั่งสมาธินั่นหนึ่งเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาอันนี้เป็นบารมีที่เราจะต้องบำเพ็ญตามลำดับไปแล้วต่อจากนี้คมะต่อจากอุเบกขาบาลมีเราก็จะมีกำลังที่จะมาเจริญปัญญาบาลมีได้มาหาค้นหาสาเหตุว่าใจเรา ที่ยังต้องทุกข์อยู่กับเรื่องนั้นทุกข์อยู่กับเรื่องนี้เนกิดจากอะไรเวลาอยู่ในสมาธิอยู่ในอุเบกขานี้ใจไม่ทุกข์กับอะไรเลยแต่พอออกจากสมาธิมาพ อ, อใจเริ่มเผลอเริ่มมีความนักชังกลัวหลงก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าคิดค้นหาอยู่เรื่อยๆก็จะพบว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆ เวลาลักอะไรก็อยากได้เวลาชาังอะไรก็อยากให้มันหายไป<ม>พอมันไม่ได้ก็จะทำให้ทุกข์ใจเสียใจขึ้นมามก็จะเริ่มเห็นปัญญาเห็นเริ่มจะเห็นอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆและการที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์จะต้องเห็นอะไรก็จะต้องเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยมมันเป็นของที่ชั่วคราว<ม>ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวความสุขชั่วคราวถ้าไปอยากได้แล้วเวลาได้มาแล้วมันก็จะได้ความสุขชั่วคราวพอความสุขนั้นหมดไปมันก็จะทำให้ใจเศร้าทำให้ใจเหงาขึ้นมา <S <S อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัญญาบาลาี <S <S ที่จะต้องบาเพ็ญตามลำดับไป <S 2> <S 2> ถ้าไม่มีใครสอน <S <S ก็ต้องพยายามฝึกขัดทำไปเองเรื่อย แลการที่จะสร้างบา ร, รมีทั้งหกนี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเราต้องมีความตั้งใจว่าพบนี้ชาตินี้หรือทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดนี้เราจะอธิษฐานขอสร้างแต่บุญบา ร, รมีต่างๆขอสร้างเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีในขมมะบา ร, รมีโอเบขาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมี เราจะไม่ทําอะไรอย่างอื่นอย่างอื่นก็ทําพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เกิดมาแลี้ยวก็มีหน้าที่หาปัจจัยสีให้กับร่างกายแต่จะไม่ไปหาทรัพย์ไม่ไปหารากยศชัะละเสริญแต่จะหาการสร้างทานก็สร้างบารมีต่างๆตามโอกาส<ม>ต้องมีอธิษฐานต้องมีการตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าเราจะทําอะไรแปลว่าอธิษฐานแล้วเราต้องมีสัจจะความจริงใจต่อการ ตั้งอธิษฐานของเราไม่ให้ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะตั้งใจจะทำแล้วเมื่อถึงเวลาก็ต้องทำถึงจะทำได้เช่นตั้งใจจะมาวัดวันนี้พอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจไม่มาอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะเปลี่ยนใจงานที่จะมาวัดก็ไปช้อปปิ้งดีกว่าอย่างนี้ก็จะไม่ได้มาวัดแท แต่ถ้ามีสัจจะแล้วพอตั้งใจแล้วพอถึงเวลาก็จะมาทันทีไม่เปลี่ยนใจเรียกว่าสัจจะแล้วนอกจากมีสัจจะมีอธิษฐานแล้วยังต้องมีวิริยะความขยันด้วยความเพียรด้วยถ้าตั้งใจแล้วมีสัจจะจะมาแต่ขี้เกียจขอนอนต่อด้วยกไม่อยากจะตื่นเช้าอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้มาได้ต้องมีความขยันด้วยความขยันที่จะทาตามควา ม, ความตั้งใจของเรา แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือต้องมีขันติบารมีก็คือต้องมีความอดทนอดกลัน้นเวลาที่เราทำอะไรแล้วมีอุปสรรคขวางกัน้นเราก็อย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้พยายามหาวิธีแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อที่จะเพื่อที่จะอำนวยให้เราได้ไปทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำนี่ น, นี่คือบารมีทั้งสิบที่พระปฏิเสกที่พระ ผู้ที่ต้องการจะไปถึงพระนิพพานนี้โดยด้วยลําแข้งลําขานด้วยความาสามารถของตนเองนี้จําเป็นจะต้องพึ่งบรารมีทั้งสิบนี้ถึงจะไปถึงพระนิพพานได้เช่นเจ้าชายสิทธัตถะของพวกเราท่านอาศัยบรารมีทั้งสิบนี้พาให้ท่านได้มาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของพวกเราพวกเราโชคดี เราไม่ต้องสร้างบรารมีทั้งสิบทอนนี้แล้วเพียงแต่ทําตามคําสอนสามข้อใหญ่ๆที่ส่งสอนให้ปฏิบัติเท่านั้นเองก็ให้ปฏิบัติทานศีลภาวานานั้นเองถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวานาได้เราก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ในพบนี้ชาตินี้เลย น, นี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องราวที่ทําให้มีพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็คือการบําเพ็ญบรารมีทั้งสิบทองพระ พ, พระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่เองผู้ใดที่กำลังบเาเพ็ญบารมีเหล่านี้อยู่ก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์กันมีเป้าหมายก็คือต้องการที่จะไปถึงพระนิพพานกันแต่ถ้ามาพบกับพระพุทธศาสนาในภพนิยชาตินี้ก็สามารถเปลี่ยนจาก้ารมีสิบมาเป็นมรแปดได้เลยมาปฏิบัติทานศีลภาวนาแทนได้เลยก็สามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว กว่ที่จะต้องทาทางไปเองนนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบําเพ็ญบารมีต่างๆเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพานถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องบําเพ็ญทานบําเพบารมีเหล่านี้แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาก็ให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้บําเพ็ญมักแปดแทนมักมักแปดแทนหรือบําเพ็ญทานศีลภาวนาแทน ก็จะสามารถพาให้ไปถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุร า, ปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อินชิตังปัทธิตังตุมหัคิดเมวะสมิจชะโตสัพเพปเรนตตสังกปาจันโทปนะระสุยะธามณิโชติอระสุยะาสัพพิติยวิวัจจันโตสัพพารุโควินัสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีคาโยโกผวะอภิวาธนสีลิสานิจจางอุทาปจายโนจตารูธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง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 วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต418คน YouTube พระอาจารย์สุชาติไลฟ์333คน YouTube d r เ c h ร n n e ช44คนวิทยุออนไลน์15คลับ h ฮ u s ์6ผู้รับฟังธรรมะนาคุติ157คนรวมทั้งหมด973ครับเดี๋ยวมีชาวต่างชาติเขาขอถามคำถามหน่อยฮัลโหล a ิ e Through the microphone. If you have any question, you can go ahead and ask. Yes, thank you, uh, Guruji. I just want your uh, guidance to calm my uh, mind. I am normally uh, living a good life, but there are some inappropriate uh, desires in mind which is troubling me from inside. And uh, from my ways, by uh, reading different scriptures and following different uh, philosophies, I try to calm myself. But somehow I am failing continuously. So I seek your guidance and advice how to calm my mind. Because when I'm trying to do some meditation, etc., I'm feeling like uh, I'm sitting near the seashore. So much noise inside, so much turbulence. Uh, I even cannot focus on meditation for even one minute. You well, See the two you need to calm your mind or control your mind is called sati or mindfulness. In order to have mindfulness, you have to recite a mantra such as butto butto butto. But you have to do this a lot, not just when you want to. You have to start. As soon as you get up in the morning, start to practice b u t t o putto to counter your thoughts. And if you have putto putto constantly by your side, then your ability to go think about other things can be weakened. And if, should, if you should think about bad thoughts, you can use this mantra to stop it. But it's like. Uh, Exercising, you have to do it every day in order to be, to have to have it effective. If you don't practice mindfulness at all, only at the time when you want to, you m i g h t not be able to use it. So you have to practice mindfulness as much as you can. Reciting mantra. When you don't have to think about anything, then just keep reciting "buda b u d r buda." You can do this. You can contain your thoughts, okay. and you can stop your thoughts when they come up. If you don't, if you feel that they, they are not good thoughts for you, okay. So try to do this. Okay. All day long, in your waking hours. Okay, I will do. I will try that. Okay. Okay. Anything else? No, uh, for now this is okay. Yeah, I need to calm down. So. It's the simplest way, but probably the hardest way, because our mind doesn't like to repeat something the same you know, all the time. Okay. Our mind likes to think a variety of things. Okay. Okay. But if you can persist, keep reciting Buddha, Buddha, Buddha inside mentally. You don't know have to uh, do it verbally. Okay. But if you want to do it verbally, sometimes you can, but you make sure you don't disturb other people. Okay. a s a so. Okay. Um, people might think you're crazy. a r d People might think you're crazy if they don't know what you're doing. Yeah. Okay. So it's better to do it mentally. Okay. okay. Let's keep reciting bhuto bhuto bhuto. When you get up before you go and o anything, just bhuto. When you're preparing yourself to go to work, taking a shower, brushing your teeth, dressing, eating, just bhuto bhuto bhuto along with what you do. Okay. Then you have something to control your thoughts. Okay. To stop your thought when you don't want it to think in a, in the same direction. Okay. Okay. Where are you from? I'm from India. I'm in India. Yes. Are you visiting? Uh, no, I I uh, I'm working from last 20 years outside India. I was uh, in Istanbul, uh, uh, Turkey. Mm -hmm. For almost 12 years, and before that, I was in Thailand. Now again, coming back to work in Thailand. I see. Yes, so I will be staying here. Yesterday, I came. I one of our HR uh, department manager informed me about you. Uh -huh. He sent me a link yeah. in YouTube. Yes. Then today, I just came here to seek your blessings and guidance. Every Tuesday night, we have we have meeting. At 8 p.m. and on YouTube and on Facebook okay. live. Like. If you want to join, you can join and okay. con continue the conversation that we have here. Okay, I will do that. If you have any question, you can join t h e it's called a Zoom meeting. You need to have a Zoom app. z o Yeah, I saw your video on Zoom yeah, meeting. a n d it will be in English. Yes, English on Tuesday night. Okay. I have two meetings. On Wednesday night, it will be in Thai. Okay. But on Tuesday night will be in. in Tuesday. In, what time you said? s i r 8 p.m. 8 t p.m. 8, 8 t o about 10 n Okay. So hours. do I need to get a link to join? You, you can just the, the link will be posted at that time on the Facebook page. Okay. Or YouTube. You just click on the link and then you are going to. Okay. Okay. Thank you. Ah, คถามจาผู้รับฟังน้ากุฏิครับ ที่พระอาจารย์เทศเมื่อสักครู่ถึงพบรูปประพบคือพบที่มีรูปอรูปประพบคือพบที่ไม่มีรูปตามที่โยมเข้าใจไตรภพบคือพบทั้งสการมประพบคือพบของมนุษย์และสัตว์ที่เสพกามรูปประพบคือพบของพระอริยะพระโสดาบันพระสกิดาคามีอนาคามีและพระอรหันทรูปประพบคือพระนิพพานที่ไม่มีรูปแล้วใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ รูปพระพรมนี้เป็นรูปประพมพรมที่มีรูปอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเขาบอกพรมที่มีรูปกับพรมที่ไม่มีรูปคือพรมที่มีรูปนี้หมายถึงผู้ที่ได้รูปประชานถ้าใครนั่งสมาธิแล้วเข้ารูปประชานได้ก็จะไปอยู่ที่รูปประพบผู้ที่เข้าฌานในอดับอารูปประชานได้ก็จะไปอยู่ในอารูปประพบอันนี้ยังไม่ใช่เป็นภพของพระหรือบุคคล พาลียบุคคลนี้ยังอยู่ในตใจพบอยู่ตามขั้นของของการบรรลุเช่นพระโสดาบันกับพระสะกิดาคามีนี้ยังติดอยู่ในกามาพอยู่อย่างเช่นพระโสดาบันนี้ถ้ายังไม่บรรลุสูงกว่าก็จะกลับมาเกิดในกามาพบอีกไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากถ้าขั้นที่สองพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดในกามาพบอีก เ, กเก 2, พะะกีาาเพยงชาติเดียวถ้าได้ขั้นที่สามคือพระอนาคามี ก็จะไม่ไปเกิดในกามาภพแต่จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพแล้วถ้าเป็นผ้าอาหานถึงจะออกจากรูปภพออกจากกาสมาภพรูปภพอรูปภพแล้วก็ไปอยู่ในพานิพานคำถามต่อไปจากคุณแอนเมื่อตายไปแล้วตอนเสวยบุญเป็นเทวดา สามารถเจริญภาวนารักษาศีลทำความดีสร้างบุญเพิ่มเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้หรือไม่ครับหรื อ, อยังไงก็ต้องกลับมาเกิดก่อนครับได้แต่อาจจะยากแล้วก็ถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครชวนก็อาจจะเพลินไปกับความเสพกความสุขของสวรรค์ก็ได้คำถามต่อไปจากคุณที่ถามมาทางยูทูบนะครับ ผู้ที่มัวเมาลุ่มหลงไม่ยอมสละแต่ก็ไม่ผิดศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกไม่ดื่มสุราทั้งด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการถือศีลแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเมื่อตายไปจะไปพบไหนครับถ้ารักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปก็ไม่ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่ไปเกิดในอบาย อยากจะไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำบุญทําทานถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทำบุญทําทานถึงจะไปสวรรค์ได้แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญทําทาเนเพียงแต่มักษาศีลไม่ทาบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อทันทีคำถามต่อเนื่องจากท่านเดิมครับขันห้าที่มีจิตมาครองเป็นร่างกายสิ่งมีชีวิตจิตของเราอยู่ในโลกทิพย์ เป็นตัวสั่งให้ร่างกายทํางานแล้วกิเลสมีตัวตนไหมครับมีลักษณะเหมือนจิตที่อยู่ในโลกทิพย์ไหมครับที่คอยสั่งร่างกายความคิดไปทางขัดแย้งกับความดีกิเลสคืออะไรและอยู่ที่ไหนครับกิเลสก็อยู่ในจิตนี้แหละเป็นความคิดฝ่ายไม่ดีความคิดนี้มีสองฝ่ายความคิดฝ่ายดีกับความคิดฝ่ายไม่ดีคิดทาบุญทาทางคิดรักษาสี่งคิดปฏิบัติธรรมนีเป็นความคิดที่ดี ถ้าคิดโลภอยากจะได้ทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองอยากได้าลาภยศเสรเสริญสูงอย่างนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะจะนำไปสู่ความทุกข์คำถามต่อไปจากคุณภริตภาเวลาที่นั่งสมาธิดูลมถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านให้เปลี่ยนมาภาวนาพุโทโธพุโทโธแทนสลับกันไปมาได้ไหมครับ ได้ถ้าดูลมแล้วมันมันฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องใช้คาบริกรรมจะดีกว่าเพราะคาบริกรรมจะมีกำลังมากกว่าที่ที่จะหยุดวามฟุ้งซ่านาได้แต่พอใจเริ่มสงบแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจแทนต่อไปคำถามต่อไปจากคุณศรัทธาทุกวันนี้เห็นหลายที่มีการสร้างวัตถุมงคล เพื่อให้ญาติโยมเช่าบูชาจะถือว่าเป็นการหลอกลวงไหมครับผิดวินัยสงฆ์ไหมครับอันนี้เราก็ตอบไม่ได้หลอกลวงหรือเปล่าเขาก็ไม่หลอกเพียงแต่ว่าาต้องการที่ยาเงินไปสร้างวัดก็ได้ไปสร้างไปให้กับค่าใช้ใจ่ายทางวัดที่ขาดแคลนก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีที่ที่พระเจ้าทรงส่งเสริมพระเจ้าทรงสอนให้คนเราทําบุญทาำทานโดยไม่หวังผลตอบแทนจากใคร ทำบุญด้วยความเมตตาทำบุญด้วยความกระตันอยู่ก็แท่เวทีอย่างนี้จะได้บุญมากกว่าแต่บางคนถ้าไม่ได้ได แ, แล้วตอบแทนน้าจะไม่ทําก็เลยทำให้คนที่มีกิเลสด้วยกันที่อยากจะได้เงินนี้ไปทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาเลยต้องหาอุบายวิธีต่างๆเช่นมีวัตถุมงคนไว้แลกเปลี่ยนขายบริจากรท่า น, นี้จะได้ทองแดงบริจักรท่า น, นี้ได้เงิน ว่อยากเท่านี้จะได้ทองนี่เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเป็นการทําบุญมันจะเป็นการซื้อขายเสียมากกว่าเวลาไปที่ร้านขายของแล้วเราให้เงินเขาแล้วเขาก็ให้ของเรามาเป็นการแลกเปลี่ยนกันถ้าเป็นการทําบุญเราต้องให้โดยที่ไม่ต้องการผลไม่ต้องการอะไรเป็นของตอบแทนถ้าเราอยากจะทำบุญอย่ร้านขายของให้นเขาขายไม่ค่อยดีก็เอาเอาเงินให้เขาไปเลยเอามาทําบุญไม่ต้องเอาของของเก็บไว้ขายต่อ อันนี้ก็จะได้บุญแต่ถ้าทำเพื่อให้ได้ของตอบแทนก็เป็นการซื้อขายก็จะไม่ได้บุญแต่อย่างใดคำถามจากทางอินบ็อกซ์ครับคุณบุญอาชีพเป็นแม่ค้าเคยตั้งกล่องเป็นสะพานบุญให้คนร่วมบุญแล้วเงินที่ได้มาส่วนมากก็เป็นเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทหนักมากครับโยมก็เอาเงินนี้ ที่เป็นเหรียญแล้วก็เอาไปใช้เอาแบงค์ไว้แทนคืนทุกบาททุกสตางเงินที่เขายกมือสาธุท่วมหัวแล้วร่วมบุญมาแล้วเอาไปแลกเป็นแบงค์จะบาปไหมครับให้บาปหรอมีคุณค่าเท่ากันก็ใช้ได้คำถามต่อไปจากคุณปรือปรัง การดูลมเราสามารถทำควบคู่กับการกําหนดสติปฐานได้ไหมครับหรือว่าต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางครั้งเราดูลมบางทีนั่งดูลมก็กลับมากําหนดนั่งหนอถูกหนอได้ไหมครับถ้าเวลานั่งสมาธินี่ควรจะให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าดูลมก็พยายามให้อยู่กับลมไปนอกจากว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ มันคิดมากก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเช่นใช้คําบริกรรมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติต้องต้องพิจารณาดูว่าควรจะใช้อะไรอย่างไรแต่เป้าหมายก็คือในที่สุดต้องการให้จิตนิ่งจิตจะนิ่งก็ต้องอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับลมหายใจเพียง อ, อย่างเดียวมันถึงจะนิ่งได้คำถามต่อไปจากคุณพี ถ้าน้องสาวผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ผมอยากจะช่วยน้องสาวให้ดีขึ้นอยากให้หายเข้าถึงธรรมผมควรทําอย่างไรดีครับมันอยู่ที่คนไข้เขาอยากจะหายหรือเปล่าถ้าเขาอยากจะหายเขาก็ต้องไปหา ย, ยาหาหมอมารักษาแต่ถ้าเขาไม่อยากจะรักษาไม่อยากจะหายเราก็ทําอะไรให้เขาไม่ได้ราะงั้นก็ต้องถามเขาดูก่อนว่าเขาอยากจะหายไหม คำถามต่อไปจากคุณกันติพลในช่วงวัยเกษียณหากเรายังไม่ได้เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตและกายที่ดีการเริ่มต้นตอนนี้จะถือว่าสายเกินไปหรือไม่ครับมีคำแนะนำหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สุขภาพจิตใจดีขึ้นได้อย่างไรครับไม่สายหรอกตามใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังสามารถศึกษาปฏิบัติทาได้งนั้นถ้าเราต้องการ เราก็ต้องต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนถ้าเราไม่รู้ถ้าเรารู้วิธีก็ทำไปเลยคำถามต่อไปจากคุณสัสชิทนบางช่วงมีอาการขี้เกียจปฏิบัติอยู่ๆก็เหนื่อยล้ากับการสวดมนต์แม้แต่การทำบุญใส่บาตรแต่ก็พยายามฝืนใจตัวเองขัดใจในความขี้เกียจนั้นทำมันไป อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าทำแบบนี้จะเป็นการดีไหมครับทำเพื่อเอาชนะความเกลียดค้านดีเพราะว่าใจเราบางทีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งก็ไม่เกลียดค้านบางทีก็เกลียดค้านแต่ถ้าเราต้องการให้การปฏิบัติของเราต่อเนื่องไม่ขาดสายแ้ววก็ควรที่จะบังคับเหมือนกับเวลาที่เรากินข้าวเรากินข้าวเมื่อถึงเวลาบางครั้งเราก็อาจจะไม่อยากกิน แต่เราก็รู้ว่าถ้าเราไม่กินแล้วเดี๋ยวก็จะหิวเราก็ต้องบังคับให้มันกินอันนี้ก็เหมือนกันบังคับได้ไม่เสียหายตรงไหนคำถามต่อไปจากคุณตู่จิตคนเราส่งจะลงต่ำใช่ไหมครับ บางครั้งก็มีความรู้สึกขี้เกียจในการปฏิบัติแต่หนูก็ยังทำอยู่ทุกวันแต่พอเหมือนเหนื่อยก็เห็นจิตตัวเองว่าบางครั้งก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปดูหนังหรือนอนดีกว่าขอวิธีที่ทำให้หนูมีความเพียรมากกว่านี้ครับก็ทุกครั้งที่เราจะไปคิดทำในทางที่ไม่ดีก็ให้เราคิดถึงความตายบ้างก็ได้ก็เดี๋ยวงไม่นานเราก็ตายแล้วพอตายแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทาความดี เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีโอกาสรีบทำเสียก่อนที่โอกาสมันจะหมดอย่าเอาเวลามีค่านี้ไปให้กับของที่ไม่เป็นคุณประโยชน์แต่เป็นโทษแก่จิตใจเลยคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกงามมีความจำเป็นต้องทำทานกับวัดที่หนึ่งเพราะบุพการีปรารถนาไว้แต่เราไม่ชอบลูกศิษย์เพราะเขาอัตตามานะเยอะสร้างภาพต่อหน้าครูบาอาจารย์ ชิงดีชิงเด่นมีปัญหากันแต่บุปภการีของผมเขากลับสบายเพราะไม่ค่อยได้ไปวัดมักใช้วิธีบริจาคเงินทำอย่างไรความเกลียดความไม่พอใจในลูกศิษย์เหล่านั้นจะหายไปได้ครับก็เราต้องมีความเมตตากับทุกคนมอกทุกคนว่าเขาก็เป็นมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่มีดีมีเชื่ออยู่ในตัวของเขาอยู่แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปเกลียดชังเขา เขาปล่อยเขาเป็นไปตามตามความดีความเชื่อของเขาไปถ้าการทำบุญของเราไม่ไปทำให้ไม่ให้ทำให้เกิดความเสียหายกั บ, บ, ว, กบวัดเราก็ทำของเราไปส่วนบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับวัดนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้มองเขาเหมือนกนรารเรามองดินฟ้าอากาศไปเขาเป็นคนแบบนี้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถไปห้ามไปเปลี่ยนเขาได้ก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไป คำถามต่อไปจากคุณอาทิตย์วิธีละสุขเวทนาทำอย่างไรครับคือเวทนาทั้งสารนิละไม่ได้มันเป็นไปมนปันเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้วิธีที่จะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้ใจเราทุกข์ก็คือปฏิบัติด้วยอุบเบกขาให้อย่าไปรักอย่าไปชัง อย่าไปรักสุขเวทนาอย่าไปชังทุกขเวทนาเพราะเวลารักหรือชังมันจะเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่รักไม่ชังเราก็จะรับรู้เฉยๆได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามต่อไปจากคุณพีพีอั น, นิจังทุกขังอนัตตาความหมายคืออย่างไรครับเอามาแก้ปัญหาความทุกข์ในใจได้อย่างไรบ้างครับ อันนี้จังก็ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่ ง, งต่างๆอา น, นันตาก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เช่นร่างกายของเรานี่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วย อนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ว่าให้ร่างกายเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยไม่ได้เฉะนั้นที่เราไปทุกข์ก็เพราะเราไปอยากไปอยากให้โรคภัยไข้เจ็บมันไม่มีซึ่งมันไม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันมันขัดกับหลักความเป็นจริงของอนิจจาอานิจจาก็คือร่างกายไม่เที่ยงจะให้มันมีแต่สุขภาพดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างสลับกันไป ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็หยุดความอยากของเราหยุดความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือให้หายถ้าเราหยุดได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคําถามต่อไปจากคุณกัณติพนพระอาจารย์กล่าวว่าเมตตาบา ร, รมีมีความสําคัญที่สุดแล้วในกรณีของปัญญาบา ร, รมีมีการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของสิ่งต่างๆควรมีความสําคัญมาก เช่นกันหรือไม่ครับและมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาตนเองและบรรลุธรรมครับเราไม่ได้หมายความว่าเมตตาสําคัญที่สุดหมายถึงเมตตาเป็นเป็นพื้นฐานของการสร้างบา ร, รมีอื่นๆนรเหมือนกับเราการก่อนที่เราจะสร้างตึกสูงๆได้เราต้องสร้างฐานที่จะรับรองตึกนี้ให้แข็งแรงแค่เราต้องตอกเสาเข็มทําวางรากฐานให้แข็งแรงฉันใดเมตตาบา ร, รมีก็เป็นรากฐานของการสร้างบา ร, รมีต่างๆ ถ้าเราไม่มีความเมตตาแล้วก็มันจะสร้างทานบา ร, รมีก็ยากรักษาศีลบา ร, ร, รมีก็ยากเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นที่เมตตาบา ร, รมีก่อนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือปัญญาบา ร, รมีถ้ายังไม่มีปัญญาบา ร, รมีก็ยังตัดสะลุไม่ได้อย่างเจ้าชายสิทธัตถานี้ท่านสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นมาแล้วแต่ท่านขาดปัญญาบา ร, รมีทีท่ท่านต้องมาบําเพณ์ในชาติสุดท้าย ในขณะที่บวชแล้วก็ไปบาเพ็ญทุกกรณีเจียทรมานล่างกายนี่ก็พ้นหาปัญญาให้เจอว่าทุกเกิดจากอะไรทุกดับได้อย่างไรอันนี้ส่วนก็คงส่งคนพระพะอรยรยัสัจสีทุกเกิดจากปัญหาความอยากดับได้ด้วยมกคือศีลสมาธิปัญญา คำถามต่อไปจากคุณวันเดอริงฌานคืออะไรและการเข้าฌานหมายถึงอะไรครับฌานแปลว่าความสงบของใจมีแบ่งเป็นขั้นๆมีแขั้นด้วยกันสีขั้นแรกเรียกว่ารูปฌานาี่สีขั้นหลังเรียกว่าอรูปฌานสี่เป็นความสงบที่มากมา ก, มากขึ้นไปตามลำดับของหมายเลขฌานที่หนึ่งก็สงบน้อยกว่าฌานที่2ชฌานที่2ก็น้อยกว่าฌานที่สไป นี่คือฌานคือสมาธิขั้นต่างๆนี่นคาถามจากท่านต่อไปครับสารพระภูมิที่ประดิษฐานพระพรหมที่อยู่สถานที่ต่างๆกับพระพรหมที่อยู่ชั้นฟ้าชั้นพรหมเหมือนกันไหมครับไม่มีหรอกพระพรหมที่อยู่ในสารพระพรหมอันนี้เป็นความเชื่อพระพรหมเป็นนามธรรมเป็นเป็นเป็นดวงวิญญาณที่ที่ได้จากการไปปฏิบัติรูปฌานเลื่อรูปฌาน ท่านจะอยู่ในโลกทริปท่านจะไม่มาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอย่างนั้นนะแคบเกินไปสำหรับคำถามต่อไปจากคุณ RAT จากทางอินบ็อกซ์ครับ ขอโอกาสถามเรื่องทานเมื่อก่อนได้ยินท่านผู้รู้เทศสอนว่าทําบุญในพระศาสนาคือสงฆ์ทําบุญกับพระสงฆ์ได้บุญมากกว่าสร้างโรงพยาบาลสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆยิ่งถ้าสร้างเสนาสะนะจะได้บุญมากเมื่อก่อนเลยเพ่งเล็งเลือกทําบุญจะทํากับวัดกับพระอริยสงฆ์แต่ภายหลังสังเกตใจตนเองรู้สึกว่าบางทีไม่มีความสุขเหมือนคอยแต่จะเลือกผู้รับ ที่ทำให้เราได้บุญมากๆแต่ให้เงินขอทานกลับใจเบิกบานการเป็นผู้ให้กับบางท่านบางคนทำให้ใจเราเบิกบานแต่ให้กับบางท่านบางคนใจไม่เบิกบานเป็นเพราะอะไรครับเพราะชอบไม่ชอบเเหมือน ก, กับกินอาหารอาหารที่เราชอบกินแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากกว่า ก, ก, กินอาหารที่เราไม่ชอบแต่ก็เป็นอาหารเหมือนกันที่กินแล้วก็ดับความหิวของร่างกายได้เหมือนกันการทำทานนี้ก็มี เหตุผลหลักก็คือสร้างทานบา ร, รมีเรืดับความตะนีดับความโลภในเงินทองให้น้อยลงไปจะให้กับใครก็ได้เหมือนกันอันนี้แต่ถ้าเราให้กับคนที่เราลักเราชอบเราจะได้มีความรู้สึกเพิ่มเติมรู้สึกมีความสุขเพิ่มเติมจากการช่วยเหลือคนที่เขาที่เราชอบที่เราเห็นว่าคนจะได้รับการช่วยเหลือเป็นต้นอักนี้เลือกได้จะทำทำบุญเพื่อความสุขใจสบายใจนี้เลือกได้ คำถามจากทาง inbox จากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นผมใช้วิธีดูอาการที่จิตโกรธแล้วเห็นความโกรธดับไปเร็วบ้างช้าบ้างแต่สุดท้ายก็ดับไปครับใจกลับมาเบาโล่งว่างทำแบบนี้ได้ไหมครับหรือควรต้องใช้ปัญญาหมายถึงว่าพูดกับตัวเองในใจสอนตัวเองในใจตอนนี้ผมทำผสมกันทั้งสองวิธีจะมีผลเสียอย่างไรไหมครับ ไม่มีหรอกเพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถดับมันได้อย่างถาวรมันก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะให้มันไม่กลับมาเกิดเราก็ต้องไปหยุดที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานั่นแหละ <tattoo. S 1> เราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธเขาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาจะทํำยังไงเราก็จะไม่โกรธเห็น ถ้าอยากจะให้ความโกรธมันหมดไปจากใจก็ต้องตัดความอยากให้มันหมดไปจากใจทนะ่านคำถามต่อไปจากคุณสุการดาการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีควรละหรือตัดอะไรครับก่อนจะเข้าถึงพระอนาคามีได้ก็ต้องผ่านพระโสดาบันก่อนพระโสดาบันนี้ต้องตัดเรือละความยุติดในสังขารร่างกายและความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นภาวะทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากไปควบคุมบังคับร่างกายหรือความรู้สึกนึกคิดเวลาที่เราควบคุมไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์เราต้องผ่านขั้นนี้ก่อนแล้วขั้นที่สองก็คือเราต้องพิจารณาสุภาะเพะื่อลดลดความอยากในการเสพรูปเสพกาม ร่วมเพศกับผู้อื่นต้องพยายามมองร่างกายของคนที่ยอยากจะร่วมเพศว่าไม่สวยไม่งามด้วยการมองเข้าไปข้างในดูอาการสามสิบสองของร่างกายถ้าเราเห็นอนาะการสามสิบสองของร่างกายแล้วความอยากจะร่วมเพศมันก็จะหายไปอันนี้จะจะทำให้ได้บรรลุปเป็นพระอนาคามีต่อไปหมดแล้วเลยโอเคเวลาก็หมดพอดีสาหรับวันนี้